ชาวหอการค้ า, าวันนี้จะกลับบ้านแลวดีใจไหมถ้าเอาความรู้นะไปภาวนาต่อเมื่อภาวนาเป็นแล้วก็ไปจะรู้เลยว่า 3-4 สวันนี้เป็นเวลาที่มีค่ามากเลยลเราได้ศาสตร์อันหนึง่ง เพื่อจะปะพัฒนาใจของเราให้พ้นความทุกข์ไปธรรมะของพระพุทธเจ้านะมุ่งมาสู่ความพ้นทุกข์มีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกนะมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ขั้นตอนสุดท้ายนะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ภาวะแห่งความพ้นทุกขนะ์เป็นนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าสัพพะทิเสสนิพพานเป็นนิพพานกิเลส กิเลสตายไปหมดจิตใจมีความสงบสุขแต่ธาตุขันนี้ยังอยู่ธาตุขันนยังเป็นตัวทุกข์อยู่แต่จิตใจไม่เข้าไปเกาะในธาตุในขันนี้งั้นอย่างร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะเราจะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ถูกใจอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอะไรเนี่ยจิตใจมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวสภาวะทางจิตใจนะั้นมี เวทนาคือความรู้สึกอยู่สองชนิดมีโสมนัตมีความสุขก็มีอุเบกขาของพวกเรามีสามอย่างมีโธมันัตมีความทุกข์เวทนามีสองส่วนเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกายมีสองอันนัเรียกว่าทุกขเวทนากับสุขเวทนาเวทนาทางใจเรียกโสมนัตเวทนากับโธมนัตเวทนา บางทีเราก็พูดง่ายๆว่าเป็นสุขเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเีทุกขเวทนาชื่อถูกๆของมันก็เรื่สมนัสก็โทมนัสแล้วก็อุเบกขาเวทนาพวกเราทั้งหลายถ้าไม่ใช่พระอราหารนันต์จิตเราจะเวียนอยู่ในเวทนาสอย่างพวกพลมเขาก็เลยไปไปข่มความทุกข์ไว้ได้ ด้วยฌานถ้ากำลังฌานหมดนะก็ตกจากพรห ม, มโลกกลับมาเหมือนอย่างพวกเราเนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่อไปอีกการนั่งสมาธิมากมากนะแล้วนึกว่าทําให้มีความสุขก็มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่าที่นั่งสมาธินั่นแหละแล้วถ้าตายไปในขณะทรงสมาธิอยู่ไปเกิดเป็นพรหมมีความสุข อยู่ช่วอายุของพรหมนะั้นแหะพรหมหมดอายุลงอาบายเยอะแยะไปคล้ายๆที่พวกเรานั่งสมาธิมากๆออกจากสมาธิมาแล้วอารมณ์ร้ายว่าคนธรรมดามันสงบมันนิ่งมันสงัดไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนนานโดนอะไรกระทบนิดหนึงน่งทนไม่ไหวฉะนั้นความสงบสันติเกิดจากฌานสมาบัตินะ เงาเป็นที่พึ่งไม่ได้อาศัยการฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาจะระดับชาญหรือระดับอุปจารสมาธิระดับคณิการสมาธิอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้ก็ได้แล้วมันจเจริญตัญญามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจเรื่อยไปความจริงของมันคือไตรลักษณ์ถ้าเรารู้ความจริงของธาตุขันธ์ของกายของใจใจิตก็จะปล่อยวาง ไม่ยึดแล้วไปยึดทำไมของไม่เที่ยงไปยึดทำไมของเป็นทุกข์เป็นยึดทำไมของไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุมาประชุมกันมีเหตุปัจจัยจานวนมากมาประชุมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะแล้วไม่รู้จะไปยึดทำไมเนี่ยถ้าปัญญามันแก่กล้าจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าไม่ยึดด้วยปัญญานี่ก็ขาดแล้วขาดเลยไม่กลับมาอีก ถ้าเราพอนาไปเรื่อยนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตที่ทรงสมาธินะนี่จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบอย่าไปแปลว่าสงบในขณะที่เราเจริญมีปัสนากรรมฐานอยู่นั้นะจิตสงบก็ได้จิตฟุ้งซ่านก็ได้จิตสุขก็ได้จิตทุกข์ก็ได้จิตดีก็ได้จิตชั่วก็ได้นะที่พระเจ้าท่านสอนดุคระภิกษุทั้งหลาย จิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะแม้มีราคะก็ได้นะแต่ให้รู้ดูคระภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะมีโทสะก็ได้ดูคระภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะดูคระภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตหดหูก็รู้ว่าหดโูนะเนี่ยรู้อย่างที่มันเป็นถ้าเข้าสมาธิได้ก็ดูต่อไปได้อีกจิตได้อุปจาระหรือจิตไม่ได้อุปจาระจิตได้ฌานหรือจิตไม่ได้ฌานดูต่อไปได้อีกถ้าไม่ได้เข้าฌานทำสมาธิไม่ได้เป็นอย่างพวกเราส่วนใหญ่จิตตานุปัสสนาที่พระเจ้าสอนมก็มีสีอันจิตมีราคะจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะไม่มีโทสะจิตมีโมหะไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูสีค่คู่ทั้งหมงดโดยอย่างเนี้ยจะเห็นว่าจิตเป็นอกุศลก็ได้อย่างจิตมีโมหะจิตหรือจิตมันฟุ้งซ่านนะไม่เห็นจะต้องทําให้จิตสงบถ้าทําสมถะนะจะต้องดีต้องสุขต้องสงบแต่ถ้าทํำวิปัสสนานะ จิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตด <itar> ีก็รู้ว่าจิตดีจิตไม่สุขจิตสุขจิตไม่สงบหรือจิตสงบก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปสักว่ารู้ว่าเห็นเพื่อว่าจะได้เห็นความจริงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตเลวก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็ร่นแต่ไม่เที่ยงร่นแต่ของบังคับไม่ได้จิตดีสั่งให้มันดีตลอดก็ไม่ได้ จิตชั่วห้ามมันมันก็ไม่ฟังจิตฟุ้งซ่านห้ามมันฟุ้งซ่านมันก็จะฟุง้งจิตสงบนะัสั่งให้มันสงบนี่รันดอนมันก็ไม่สงบมันไม่มีอะไรบังคับได้เนี่ยที่เรามาปฏิบัติทำนะก็เพื่อมาดูความจริงความจริงในธาตุในขันธ์ในกายในใจของเรานี่แหละไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบไม่ใช่เพื่อดีเมื่อก่อนหลวงพ่อโง่มากเลยตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบ นั่งแต่สมาธิทำสมาธินะจิตดีนะจิตสุขนะจิตสงบนะสุขมากๆก็เป็นอุเบกขาประนีตเป็นสุขที่ประนิเขึ้นไปออกจากสมาธิมากิเลส ก, ก็กลับมาอีกนะแรงกว่าเก่าอีกที่แถมกูเก่งอีกเก่งกว่าคนอื่นนะกูนั่งสมาธิได้คนอื่นนั่งไม่ค่อยจะได้แทนที่กิเลสจะลดนะกิเลสเพิ่มการสมาธินะั้ไม่ได้ทา ให้พ้นทุกข์จริงข่มความทุกข์เอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเนพวกเราที่ติดสมาธิช้าไปเพ่งให้นิ่งๆแล้วเพ่งนิ่งๆเลเวหรือดีะก็ดีนะตายไปได้เปรี๊บรปลมถ้าเข้าฌานได้จริงๆถ้าอยากได้รสชาติอันวิเศษของธรรมะก็่าหยุดอยู่แค่การเพ่งจิตให้นิ่ง หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่วันแรกนะสมาธิมีสองอย่างสมาธิที่เพ่งจิตให้นิ่งให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยอย่างหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตนั้นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นแต่สภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านไม่ต้องดีไม่ต้องสุขไม่ต้องสงบถาวรหรอก ก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ก็เป็นของบังคับไม่ได้ด้วยไม่เฉพาะสะภาวะอย่างอื่นตัวจิตเองนะสั่งให้ดีตลอดมันก็ไม่ดีสั่งให้สงบมันก็ไม่สงบนะสั่งให้รู้แจ้งมันก็ไม่รู้แจ้งทําอะไรมันไม่ได้บางทีมันก็เป็นผู้รู้เผลอๆมันก็กลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปรั้นแต่ไม่เที่ยง บางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้ดูบางทีก็เป็นผู้ฟังเป็นผู้ดมกลิ่นผู้ลิ้มรสผู้รู้สัมผัสทางกายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้เพ่งหลากหลายมากเลยล้วนแต่สะท้อนให้เห็นนะกระทั่งตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นเวทนาหรือเป็นกุศลอกุศลทั้งหลาย ก็ตกอยู่ในภาวะอันเดียวกันหมดเลยงั้นแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่เป็นอมตะไม่มีงั้นอัตตาไม่มีมีแต่อนัตตาภาวนาแล้วเนี่ยไม่ได้ล้างอัตตานะบางคนบอกจะล้างอัตตา อัตตาไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ความหลงผิดว่ามีอัตตาทำไมหลงผิดว่ามีอัตตาเพราะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นไม่สามารถเห็นธาตุขันธ์แสดงใจลักได้ถ้า แ, แยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะเห็นธาตุขันธ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแสดงใจลักได้มันจะรู้เลยว่ารูปเกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วก็ดับสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ งั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาบลไม่มีอัตตานั่นเองถ้าเห็นตรงนี้ได้นะก็เป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าในขณะบรรลุพระโสดาบันจิตมีกําลังแก่อ่อนไม่เท่ากันบางคนเป็นพระโสดาบันอีกชาติเดียวก็จะจบนะบางคนอีกสองสามชาติจบยินรีอ่อนหนก็อีกเจ็ดชาติจบ อย่างใช้เวลาใช้เวลาเมื่อเห็นความจริงเบื้องต้นแล้วนะว่าตัวเราไม่มีเราก็ปฏิบัติเหมือนเดิมแั้นแหละมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะดูท่าดูขันมันทำงานรวมทั้งดูจิตมันทำงานไปด้ว ย, ยเห็นทุกอย่างนันละเกิดแล้วก็ดับไปเห็นเหมือนกันกับขั้นต้นนั่นแหละแต่จิตเนี่ยมันจะไม่ได้เพ่งเล็งไปในมุมที่ว่าไม่มีตัวมีตน มันกับจะเริ่มไปเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นว่ในสิ่งซึ่งไม่มีตัวตนเช่นร่างกายตัวรูปซึ่งไม่มีตัวตนเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์เริ่มไปเห็นตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้หรือจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจในี่ก็วิญญาณเริ่มไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวทุกข์ร่างกายนีย้แต่เดิมเคยโง่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง พอเราได้พระโสดาบันแล้วมาเจริญสติมีจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ความจริงของกายของใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางมากเข้ามากเข้ามันจะเริ่มแจ่มชัดขึ้นมาร่างกายนี้ทุกขลน้ลนล้นร่างกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขเนะมื่อเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ลน้นล้นจิตจะหมดความยึดถือในกายจะยึดทำไมเป็นของไม่ดี เป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษเป็นภาระมากมายเหลือเกินหายใจอยู่นี่ก็เพราะว่ามันทุกข์นะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เพราะทุกขนะ์กินอาหารก็เพราะทุกขนะ์ขับถ่ายก็เพราะทุกข์นะทำอะไรอะรก็เพราะทุกข์ทั้งนั้นเลยมีภาระที่ต้องปรนิบัติต้องดูแลมากมายเลยในกายเนี้ยเนี่ยอาศัยการปฏิบัติเหมือนเดิมที่เราผ่านมาขั้นต้นนั่นเอง แต่มุมมองนั้นจะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่มองเห็นแค่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยในห้องนี้เห็นได้มากมายคนที่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ยังไม่เป็นพระโสดาบันแต่เมารถใดเห็นจิตไม่ใช่เราได้ถึงจะเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าปุทุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรา แต่มีแต่ในคําสอนในธรรมวินัยของท่านถึงจะสอนแล้วก็พาให้เราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เรางั้นหัดที่หลวงพ่อสอนไปนั่นแหละมาคาว์มาคาว์วันหนึ่งก็เห็นจิตไม่ใช่เราเม่จิตไม่ใช่เราตัวเราจะไม่มีเลยลําพังเห็นกายไม่ใช่เราเห็นมาก่อนละแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะแต่ความรักความหวงแหนนั้นเป็นความเคยชินนี่ยังมีอยู่พระโสดาบันก็ยังรักกายอยู่ พระโสดาบันก็ยังรักจิตอยูนะ่พระสกทาขามีก็ยังรักกายรักจิตอยู่ก็อาศัยการปฏิบัติเหมือนเดิมนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละจิตตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่สงสมาธนะิที่ถูกต้องสมาธิไม่ถูกต้องเยอะนะสมาธิเคลิ้ ม, มจิตตั้งมั่นเป็นกลางเห็นความจริงของาธาตุขันไปเรื่อย ใช้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วมาปฏิบัติอย่างเดิมนี่แหละมันจะเริ่มเห็นความจริงนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกขนะ์เนาะอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมทุกข์กระดูกกระดิกตลอดเวลาใช่ไหมนั่งนิ่งได้ที่ไหนนะมันปวดมันเมื่อยนะก็ขยับเอวบ้างขยับโน้นบ้างขยับนี้บ้างนะหนีความทุกข์ อ, อ, กอยู่ตลอดเวลาเลยความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลย หายใจก็แฝกแก้ทุกข์แต่เดิมไม่รู้สึกนะว่าหายใจเนี่ยทําเพื่อแก้ทุกข์เรามาทดสอบการหายใจดูก็ได้ลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันทุกข์นะพอทุกข์เราก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆมันก็ทุกข์อีกนะก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อิริยาบถ ท, ทั้งหลายก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปก็เพื่อแก้ทุกข์อีกนะนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวกระหาย นะเดี๋ยวปวดอึปวดฉีนะ่ต่อไปก็เจ็บไข้ได้ป่วยอนะไรเงี้ยแก่เฒ่านะร่างกายเครียดขัดยอกอะไรตอนอะไรเจ็บป่วยมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยในกายเนี่ยสติปัญญาแก่กล้าจริงจะรู้เลยว่ามันทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถนะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกก็ไม่เหลือสุขตรงไหนอีกต่อไปแล้ว ลงยืนเดินนั่งนอนทุกข์ก็ไม่เหลือสุขอยู่ตรงไหนอีกต่อไปละเนี่ยดูของจริงลงไปเรื่อยเลยจิตมันรู้ความจริงนะจิตเข้าปนาสมาธิของเขาเองทุกครั้งที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติถึงเราไม่ได้เจตนาเข้าฌานอย่างคนสมัยพุทธกาลฟังพระพุทธเจ้าเทศน์บนรรลพระอราหันต์หรือบรรลุพระโสดาทีหนึ่งตั้ง500ห0ารองไม่มีใครเขาไปนั่งเข้าฌานหรอกก็นั่งฟังท่านเทศน์นั่นเอง แล้วก็ดูสภาวะตามที่ท่านสอนไปนะใจมันจะตื่นตัวขึ้นมาเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่ท่านสอ น, นที่ท่านเทศน์นัก็นําให้พวกเรารู้สภาวะนั่นเอง น, น ะ, แะแจ้งขึ้นมาตอนที่แจ้งเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิก็ตัดกิเลสตัดสังโยชน์เป็นพระโสดาสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์ทั้งสี่ขั้นเนี่ยเกิดในฌานไม่เกิดข้างนอก แต่ว่าถึงเราไม่เคยเข้าฌานนะนั่งฟังเทศไปนะใจเราสัมผัสธรรมะใจเราเห็นจริงขึ้นมาตัวเราไม่มีจิตจะฆ่าออปัญญานเลยเมื่อก็ล้างกิเลสเป็นพระโสดาบันต่อหน้าต่อตาเลยในเวลาแวบเดียวเท่านะั้นเองแล้วก็จะออกจากฌานอย่างรวดเร็วไม่ทรงอยู่นั้นเอาออกากฌานนี่มันจะทวนกลับเข้าไปรู้เลยว่ากิเลสอะไรล้างแล้งกิเลสอะไรเหลืออยู่เลย ในขั้นของพระอนาคาเนี่ยท่านแจ้งแนละ้วว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะทุกทุกลมหายใจเข้าออกทุกอยู่ทุกอิริยาบถนอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะ ไ, ไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปในกายนี้ไม่เห็นอย่างนี้นะจิตจะเข้าอัปนานแล้วก็ตัดสังโยต์หมดความรักใคร่พอใจแล้วก็ความลำคาญใจในกาย สิ่งที่เรียกว่ากายเราแยกออกไปให้ละเอียดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าตายัางไม่รักตายัางไม่เกลี่อนรูปก็ไม่รักรูปก็ไม่เกลื่อนงั้นถ้าไม่มีกามไม่มีปฏิฆาในตาหูจมูกลิ้นกายกามปฏิฆาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายผดัภะรือสิ่งที่มาสัมผัสกายได้กัความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหว สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มายั่วให้จิตเกิดความพอใจและความไม่พอใจขึ้นมาจิตพ้นจา ก, กาความรักใคร่พอใจพ้นจากปฏิฆะความรำคาญ ข, ขัดเคือนะอันนี้เป็นภูมิธรรมในชั้นที่3านมะถัดจากนั้นต้องปฏิบัติต่อนะสมัยหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลนะวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะ ท่านนั่งเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าพูดมากไปชวนท่านคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรนี้ไม่ฉลาดเลยไปนั่งกับครูบาอาจารย์นะนั่งภาวนาไปถ้าจิตใจเราสมควรแก่รมนะธรรมะจะถ่ายทอดจากจิตท่านนะท่านก็อย่าพูดออกมาทนะ่าอย่าพูดออกมาวันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลุลงปู่ดูลก็บอกว่าเออเราดูแล้วละ่ะ นักปฏิบัตินะก็ทั่งที่ว่ามีชื่อเสียงระดับเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ใช่ว่าอย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เราได้ยินแล้วก็เงียบไว้ก่อนอย่าไปถามนะถ้าถามแล้วก็ท่านจะหยุดเทศเลยหยุดพูดนะบอกยังเกิดอีกแล้วท่านก็เงียบไปนะแล้วก็ปาราลบอะไรอย่างอื่นต่อไปอีก เราก็จำไว้ว่าโอ้หลวงปู่บอกนักปฏิบัติกระทั่งมือระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากเลยส่วนมากเลยนะเป็นผีใหญ่ท่านว่าอย่างนี้ออกจากหลวงปู่มาแล้วไปถามพระอุปถัมภ์หลวงพี่หลวงพี่ผีใหญ่เป็นไงโอ้ผีใหญ่เลอก็พรหมอนาคาเป็นพรหมอนาคานะหลังก็นั่งเข้าไปอีกนะไปหาหลวงปู่ไปนั่ง ท่านก็สอนเองนะันาปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าปฏิบัติมาจนถึงจิตมันรักษาจิตเนี่ยปล่อยจิตไม่ได้แล้วท่านก็จบคือเวลาท่านสอนนะเป็นจุดๆนะสอนแปลดไม่เหมือนหลวงพ่อสอนเหมือนเลคเชอร์เลย <c oughs> ครั้งสุดท้ายไปกราบท่านส6สวันก่อนท่านมารณภาพปลายปลายกัญญา 25ง้าท่านมราณาภาพ30มตุลา2 5ง อ, อง้ไม่ใช่ปี26ไปกลับท่านทางสุดท้ายท่านสอนตั้งแต่บ่ายๆนะส่วนค่ำเลยจะลาท่านกลับท่านไม่ให้ลาท่านสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเรื่องของจิตเรื่องลีลาแห่งการเข้านิพพานเรื่องอะไรตอนใดซึ่งเราไม่รู้จะฟังไปทำอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติในระดับนั้น ท่านก็สอนซ้ําๆๆอยู่พอเวลาท่านจริงๆบอกหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับล้วจะกลับแล้ ว, ลลวยังกลับไม่ได้จําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจําได้ไหมจําได้ครับเออไปได้ละถ้าจําได้แล้ ว, ไ, ลวไปได้ละจําไหมนะกลับลาท่านออกมานะ มันรุ่งขึ้นไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชเวลาหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลนะ่ะขากลับจะแวะหาหลวงพ่อพุทธทุกครั้งนหะลวงพ่อพุธจะถามนักปฏิบัติเท่าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏินักปฏิบตัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรก็จะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะขยายความให้เนี่ยท่านเป็นอัตถกถาให้หลวงพ่อนะเราฟังธรรมะม า, ม, ามีคนขยายให้ก็บอกท่านบอกหลวงปู่สอนบอกว่า พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อผู้ท่านก็บอกว่าพบผู้ร네ู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเจวันก่อนเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่ดูลเหมือนกันหลวงปู่ดุลก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านบอกว่าหลวงปู่สอนท่านอันเดียวกันนี้เลย แล้วท่านกลัวเราโง่ไปทําลายจิตนะท่านก็ขยายความให้ท่านจะเมตตาอย่างเนี้เราฟังธรรมะจากหลวงปู่ดูลลงปูด่ดูลจะเป็นพระที่เทศสั้นๆนนนนก็อาศัยหลวงพ่อพูดนี่แหละมาขยายความให้ฟังคล้ายๆสมัยพุท ธ, ธกาลนะบาครั้งพระพุทธเจ้าเทศสั้นๆพระมหากัจายา น, นะจะมาขยายความให้เป็นแชมป์เป็นเอตทักคะทางขยายความ หลวงพ่อพดท่านก็สอนเลยบอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่แหละคือสุดยอดของกรรมฐานจุดสูงสุดของกรรมฐานอยู่ตรงนี้เองส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อถึงขั้นพระอนาคามีแล้วจะสงวนรักษาจิตหวงแหนจิตที่สุดเลยเพราะว่ามีปัญญาเกิดขึ้นว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์อันนี้เป็นภูมิรู้ของพระอนาคามีซึ่งยังไม่เต็มภูมิหรอก ยังไม่หมดจดทีเดียวเป็นภูมิรู้ที่ถูกในระดับของพระนักคำมีเพราะฉนอย่างครูบาอาจารย์ท่านฟังถามธรรมะเราหรือเราไปเล่าท่านนะท่านฟังปุ๊บท่านก็รู้แล้วว่าภูมิธรรมของเราอยู่ขนาดไหนถ้าท่านไม่ดูจิตเอานะถ้าท่านดูเอาท่านก็ดูได้แต่ละองค์ท่านเก่งๆครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนะครูบาอาจารย์ถัดๆมาก็ชอบไปเพ่งเอาตัวผู้รู้ไว้นี่แหละหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่า คำสอนว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่า ง, งนี้เนี่ยสุดยอดของกรรมฐานถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะข้ามพบข้ามชาติได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดจะไปไปอยู่ผลมโลค ก, ก็ไปเป็นผีใหญ่นั่นแหละท่านสอนต่อไปอีกการทำลายผู้รู้การทำลายจิตไม่ใช่ทำลายตรงๆแต่หมายถึงว่าไม่ยึดมั่น ไม่ยึดมั่นตัวผู้รู้ไม่ยึดมั่นจิตเนะท่านก็ทิ้งท้ายตัวนี้ไปให้กลัวเราไปทำลายจิตจริงๆนะทำลายไม่ได้นะพวกเราอย่าไม่ใช่ภูมิพวกเราต้องมีตัวผู้รู้ไว้ก่อนที่หลวงพ่อสอนมาสองวันเนี่ยฝึกให้มีตัวผู้รู้ไว้ก่อนน่ยจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้ทันให้ใต้ตัวรู้มาเอามาเดินปัญญาให้แจ้งก่อนตัวรู้เหมือนเรือยังไม่ขึ้นบกอย่เพิ่งทิ้งเรือ แต่ถ้าเรือมาถึงฝั่งแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเรือนะอย่างพวกพรหมมันาคากขาทั้งหลายเรือมาถึงฝั่งแล้วไม่ทิ้งเรือรถอยู่ในเรือนะั้นขึ้นบกไม่ได้สักทีการจะทําลายผู้รู้ทําลายจิตคือไม่ยึดมั่นจิตนั่นเองนี่หลวงพ่อพุทท่านทิ้งท้ายไปอย่างนี้แล้วท่านก็บอกต่อบอกว่าคุณจะอาตมามาทํากติกาทําข้อตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านสั่งนะให้หลวงพ่อไปเขียน การปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยออกไปเผยแผ่ท่านบอกว่าคนที่จริตนิสัยอย่างคุณนะยังมีอยู่นะต่อไปมันคงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจริตนิสัยอย่างหลวงพ่อไม่ใช่พวกที่ศรัทธามากๆนะหรือว่านั่งสมาธิวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงไม่ใช่เราทํามาหากินเราทํางานที่ต้องคิดตลอดเนะี่ยท่านเลยสั่งบอกให้หลวงพ่อเผยแผนะ่เราก็งงนะตอนนั้นเราก็ เป็นข้าราชาการผู้น้อยนะเงินเดือนเราก็ไม่เยอะท่านจะให้ไปพิมพ์หนังสือเผยแพร่เราอยู่ทได้ไงอะนะเผยแพร่ไปพิมพ์แล้วไปขายใครก็ไม่ได้นะไปแจกเขาก็ไม่เอาหรอกก็เลยนึกขึ้นได้ส่งไปลงหนังสือนิตยสารพอหนังสือมันพิมพ์ไปแล้วนะอีกเดือนหนึ่งไปหาหลวง พ, พ่อพุธเดือนสองเดือนหนลวง พ, พ่อพุธบอกเนี่ยคนเข้ามาถามหาะว่าคนไหนคนไหนนะ ท่านบอกว่ามาเรื่อยๆแต่วันนี้ยังไม่มามาทุกเดือนแหละแต่วันนี้ยังไม่มางั้นท่านสั่งนี่หลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อพุทธคลังสุดท้ายนะก่อนหลวงพ่อพูดมรณาภาพไม่นานตอนนั้นหลวงพ่อย้ายงานไปโยงการโทรศัพท์ไปฟังท่านเทศท่านคาวนี้มลมาเทศที่องค์การโทรศัพท์พอท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วไม่เจอหลวงพ่อนานแล้ว ท่านบอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกะท่านบอกงี้ก็เรียนท่านอีกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยโหจิตท่านนะห้าวหารมากเลยนะท่านขนาดป่วยๆนะหน้าตาท่านฟุ๊บมื้อมาเลยผ่องเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําทลายออกมาเอง เราฟังเราก็รู้ว่าท่านเจาะลูกไก่ไอ้ลูกไก่ของท่านนี่มันเจาะออกมาแล้วละ่ะพูดลงมาเต็มปากเลยนะคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกพูดอะไรกันกรรมฐานอะไรจิตผู้รู้เปินฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายออกมาทำลายเปลือกออกมาเองนละวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอท่านนะเวลาครั้งสุดท้ายที่เจอครูบาอาจารย์นะมักมักจะได้หมันเด็ดคล้ายๆถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้ หลวงพ่อก็เลยรู้โอ้ลูกไก่ตัวนี้ต้องเติบโตแล้วมันจะทําลายเองก็ภาวนามาเรื่อยนะจนมาบวชแล้วมันก็ไม่ยอมทําลายนะทําไงมันก็ไม่ยอมทําลายเนาะขาดอะไรก็ไม่รู้มันรู้แต่ว่าจิตเนี่ยไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งเพราะไม่รู้สิ่งนี้แหละลูกไก่เลยจะออกมาไม่ได้จิตเนี่ยไม่สามารถแหวกอาสวะที่ห่อพุ่มอยู่ออกมาได้เปลือกไข่ก็คืออาสวะ น, ะนั่นเองอาสวะกิเลส น, นั่นเอง หัวโจกของมันคือตัวอวิชา น, นั่นเองตัวพุโทโธตัวจิตแท้ทำแท้นี้ทะลวงอวิชชาออกมาไม่ได้เพราะมันขาดอะไรบางอย่างนะได้ครูบาอาจารย์แนะไปอะไรไปรู้มันขาดอริยสัจมันไม่แจ้งอริยสัจนะนั้นตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจนะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปพรหมานาคาพรหมผีใหญ่ทั้งหลายนั้นไม่แจ้งอริยสัจ ไม่แจ้งอริยสัตจยังไงคิดว่าจิตนี่เป็นของดีของวิเศษไม่รู้ความจริงหรอกว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะการปล่อยวางจิตจะเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่จิตเป็นของวิเศษมันมีแต่จะรักจะหวงแหนจิตปล่อยวางจิตไม่ได้หรอกเพราะงั้นการภาวนานในขั้นแตกหักนะี่ยมันคือการที่เข้าไปประจักษ์เข้าไปแจ้งความจริงนะว่าจิตนั่นแหละไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยตัวผู้รู้นั่นแหละนะ คือตัวทุกข์อย่างแท้จริงเลยไม่มีอะไรเป็นตัวทุกข์มากกว่าตัวผู้รู้นี้เลยทั้งๆ ท, ที่เดิมนึกว่ามันเป็นตัวบรมสุขยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสมโล ก, กาธาตุนี้ในความเป็นจริงมันเป็นหัวโจก ข, ของตัวทุกข์นะตัวจิตผู้รู้แต่ต้องทําขึ้นมาก่อนนะต้องอาศัยตัวผู้รู้นี้แหละมาเจริญสติเจริญปัญญาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาจนวันหนึ่งมันรู้แจ้งอริยสัจมันจะเห็นกายเป็นทุกข์ก่อนแล้วปล่อยวางกายได้ ท่านสุดท้ายมันจะเห็นจิตเป็นทุกข์ว่ามันปล่อยวางจิตได้การจะเห็นจิตเป็นทุกข์ไม่ใช่มานั่งดูจิตทั้งวันทั้งคืนนใช้กายานุปัสสนามันก็มาเห็นตรงนี้ได้ใช้เวทนานุปัสสนาใช้จิตตานุปัสสนาใช้ธรรมานุปัสสนาก็มาเห็นตัวนี้ได้เพราะไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรจิตนั่นแหละเป็นคนไปรู้กรรมฐานทั้งหลายนั้นไม่จะเห็นทั้งสองฝั่งเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นจิตสังขารกับจิต ธรรมานุปัสสนานั้นเห็นรูปนามกับจิตถ้าวันใดเราเห็นความจริงนะว่าสิ่งที่เคยเป็นตัวเรานะประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนะมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้านะจะดีจะเลวจะสุขจะทุกข์ก็สำเร็จด้วยจิตนะจะไปสู่ภพภูมิใดๆก็ไปด้วยจิตนะถ้ามันเห็นความจริงลนยะจิตนี้แหละเป็นต้นต่อเป็นตัวเกิด เป็นต้นกําเนิดของาธาตุของขันมีจิตดวงเดียวซึ่งประกอบด้วยอวิชชาเนี่ยสามารถไปงอกาธาตุงอกขันออกมาครบหขันได้อีกทีหลังนะงั้นมีจิตที่ยังประกอบด้วยอวิชชาตัวเดียวยังมีเชื้อเกิดอยู่นี่ก็ไปสู่ภพภูมิใดๆก็ได้นะไปสู่ภพภูมิต่างๆจิตเหมือนมเมล็ดมะม่วงมีมะม่วงอยู่เม็ดเดียวเม็ดเม็มะม่วงอยู่เม็ดเดียวนี่นะไปปลูกต้นมะม่วงขึ้นมาได้ทั้งต้นเลยนะ ออกลูกได้อีกเยอะแยะเลยจิตที่มีอวิชชาดวงเดียวนี้แหละก็ไปงอกรูปนามก่อภพก่อชาติก่อทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นเลยเหมือนเพาะมะม่วงปลูกต่อๆไปเรื่อยๆต้องทําลายเชื้อเกิดให้ได้นะเชื้อเกิดคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจอะไรนะไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งจะลาสมูทไทอัตโนมัติถ้าลาสมูทไทเมื่อไหร่จะแจ้งนิโรธมนะันนั้น แจ้งนิโรจนเมื่อไหร่ เ, เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นทุกสมุทัยนิโรจมรรคเนื้อสำเร็จกิตทั้ง4ประการของทุกสมุทัยนิโรจนมรรคในขณะจิตเดียวกันนะั่นเองถ้าทำนะถึงตรงนี้นะจิตกับขันจะพรากจากกันไม่ทุกข์เพราะขันอีกต่อไปแล้วนี่เข้าถึงพระนิพพานชนิดที่หนึ่งคือนิพพานที่มีขันเหลือเรียกสาุ ป, ปาที่เศ ส, สนิพพานนะจนอยู่ไปเรื่อยจนวันที่ธาตุแตกขันแตก ธาตุขันแตกดับนะนี่ก็เข้านิาพพานอีกชนิดหนึ่งนิพพานที่ปราศจากขันนะชื่ออนุปาทิเศ ส, สนิพพานที่เรียกว่าปรินิพพานปรินิพพานนั่นนิงไม่มีเชื้อให้เกิดอีกขันเก่าที่มีอยู่ก็แตกไปแล้วอีกนะยันอยู่ที่พวกเรานะอย่าได้เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องปรัชญาเลื่อนๆลอยๆเป็นเรื่องธรรมะหลอกเด็ก แท้จริงเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณที่ไม่มีอะไรเทียบได้เลยวินอยู่ชนรู้ด้วยตนเองนะมาถึงวันนี้พวกเราที่พอรู้พอเห็นพอเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่เนืองๆนงะมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยเลยเลยงันะอยู่ที่พวกเราเองนะธรรมะก็ชัดเจนแจม่มแจ้งอยู่แล้วเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้ว อยู่ที่ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำเท่านั้นเองนะถ้าทำได้เราก็จะได้เข้าถึงความเป็นลูกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นลูกแต่ชื่อนะอาศัยชื่อพระพุทธเจ้าหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่นะอากเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ